ในหน้าึ่งรอยสบห้าในศีลทั้งสี่อย่างคือในจตุปริสุทิศีลเนี่ยนะปาติโมขะสังวรภิกษุพึงทำให้ถึงพร้อมได้ด้วยศรัทธาศรัทธานี้เป็นเหตุพิเศษในการรักษาปาติโมขะสังวร น, นะถ้าปาติโมขะสังวรของครวญเนี่ยเอากามบทเจอกกุศลกรรมบทเจดนะมามาเป็นหลักคือ ปนาน เ, เว้นจากปนานปฏิบาติอธินาทานการเมสุมิจฉาจาร์เว้นจากวจีทุจริตอีกสี่อันนั้นก็นับว่าเป็นปาติโมกของของคาราวาสละเนี่ยนะเท่ที่จริงแล้วศึกขาบทของพระภิกษุนะก็ยังอยู่ในเจ็นั่นแหละยังอยู่ในเจ็นั่นแหละเพียงแต่ว่ามาขยายให้ละเอียดยกตัวอย่างาถ้าพระภิกษุฆ่าฆ่ามนุษย์นะประชิกอย่างเงี้ยเกี่ยวกับวิธีฆ่ามนุษย์โดยประการต่างๆเสร็จแล้วเออถ้าไปฆ่ายักษ์นะ ทุระใจะข่ามนุษย์ทุระใจถ้าขา้าสัตว์ดรีชานเป็นทุกกฎอย่างเงี้ยก็เพียงมาขยายแยกแยะออกไปที่จริงก็เกี่ยวกับเรื่องข่านั่นแหล ะ, ะอธินาทานท่านก็มาเออถ้าห้ามาเกินห้ามาศกไปวัตถุปราชิกต่ํากว่าห้ามาศกมาจนถึงหนึ่งมาศกอันนี้อบัตลทุระใจถ้าต่ํากว่าหนึ่งมาศกเป็นอบัตลทุกกฎอย่างเงี้ยนะทรัพย์ที่อยู่ในน้ําในดินก็เยอะไปเองนั่นแหละ จริงก็ยังยังยังป้วนเปี้ยนอยู่ในกายะกายกรรมสามวิจิกรรมสีเนี่ยนะก็อยู่แค่นี้แหละเพียงแต่ว่าขยายเช่นไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนี้มีศีลอันนี้นะเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นศีลอันนั้นแต่ว่าประมวลรวมรว ม, รวมแล้วปาติโมกข์ของพระพิสุก็คือเว้นจากกายยะทุจริตและวิจีทุจริตแต่ว่าชั้นสูงหน่อยแค่นั้นเองเนี่ยนะคือเพราะว่าพระองค์บัญญตัติพระวินัยก็อาศัยอํานาจประโยชน์สิบประการเนี่ยนะ คือสำคัญที่ส่วนหนึ่งก็คือยกตัวอย่างถ้าเกี่ยวข้องกับคารวาจะมีข้อที่ว่ารักษาเานะพื่อยังสัตว์เพื่อยังความเลื่อมใสายของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสเพื่อความเลื่อมใสายยิ่งขึ้นไปของชุมชนที่เลื่อมใสายแล้วบางคนเนี่ยนะมีพฤติกรรมดีกว่าพระภิกษุด้วยซ้ําไปบางอย่างนะบางอย่างของบางคนเนี่ยดีกว่าพระภิกษุทั่วไปด้วยซ้ําไปนะบางคนเนี่ยพูดดีเนี่ยนะไม่พูดตําหนิใครเลยอะ่ะนะพูดไพเราะ ไม่ว่าใครไม่ต่อว่าแต่ไม่ใช่ไม่รู้ดีรู้ชั่วรู้เนี่ยนะแต่เขาก็เลี่ยงไปที่จะกล่าวถึงความไม่ดีของคนอื่นเป็นต้นเนี่ยนะขนาดกล่าวตําหนิคนอื่นเขายังไม่กล่าวตําหนิแล้วอ่ะแล้วอย่างอื่นเขาจะบริสุทธิ์ขนาดไหนเนี่ยนะเพรพื้นฐานเมตตาเขาดีมากนะทีนี้ในขณะเดียวกันบางคนเนี่ยนะเพ้อเจ้อไม่พูดเลยพูดแต่ละคําเนี่ยโหเป็นแต่ธรรมะเลยบางคนก็พูดดีขนาดนั้นเลย เพราะฉะนั้นถ้าดีแบบนี้อยู่แล้วนะวินัยแทบไม่ต้องเรียนก็ได้ถ้าจะพูดสัมนวนหนึ่งเพราะอะไรเพราะว่ามันดีโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะแต่ว่าพระพิสุบางกลุ่มไม่ได้เป็นแบบนั้นเนี่ยนะเหมือนเมื่อเมือมอม่อลูกชาวบ้านเข้ามาบวชหนักๆข้อนี่นะก็เหมือนกับดอกไม้ต่างสีอ่ะที่ไม่มีละอะไม่มีได้มาลอยอ่ะนะดอกไม้มันก็ลมพัดมาก็กระจายไปหมดทีนี้พระพิสุที่บวชมาจาก ต่างตระกูลต่างวันนะต่างอะไรต่างๆเมื่อท่านบวชเข้ามาถ้าไม่มีธรรมวินัยเหล่านี้มามาร้อยให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี่จะทำยังไงเห็นะก็จะได้รู้ว่าเออสีขาบทนี่อยู่ในขอบเขตแค่นี้เป็นต้นนะอะไรแต่ว่าประมวลประมวลแล้ววินัยทั้งหมดก็คือกายกรรมสามวจีกรรมสี่และอาชีพเท่านั้นเองเห็นไะหในลักษณะของปาติโมกผู้ที่จะรักษาปาติโมกเหล่านี้ได้อาศัยศรัท ธ, ธา เห็นไหมคว่าศรัทธานี้มีกี่อย่างนะศรัทธานี้มีสองอย่างนะใหญ่ใศรัทธาคืออย่างหนึ่งตถาคตโพธิศรัทธานั่นนะคนที่จะรักษาพระวินัยได้นั้นจะต้องมีตถาคตโพธิศรัทธาว่าพระตะถาคตเนี่ยทรงบัญญัติพระวินยัยอาศัยอํานาจประโยชน์10 ป, ประการแม้กระทั่งข้อที่9ข้อที่10บข้อเก็ 9, คือเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม ข้อสิบก็คือเพื่อเพื่อถือตามพระวินัยฉะนั้นก็อาศัยศรัทธาแล้วก็ปฏิบัติตามที่พระพระองค์ทรงแสดงเนี่ยนะหรือบางคนเนี่ยมีกรรมมักตาศรัทธ า, ธาอันที่สองเนี่ยนะกรรมมักตาศรัทธ า, ธาเมื่อมีกรรมมักตาศรัทธาทําให้เขาปรารบงดเว้นจากกายะทุจริตและวจีทุจริตและก็งดเว้นจากมิจฉาอาชีพได้เนี่ยนะ เพราะฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่องกายกรรมวจีกรรมและอาชีพเนี่ยนะส่วนนี้จะต้องอาศัยศรัทธาแต่อาชีพนี้จะไปอยู่อีกข้อหนึ่งเห็นไหมไปอยู่ในอาชีวปาริสุทธิศีลเพราะฉะนั้นปาติโมก็คือกายทุจริตกับวจีทุจริตผู้ที่จะงดเว้นจากการทุจริตวจีทุจริตเนี่ยนะเหตุสองอย่างคือตถาคตโพธิศรัทธากับกรร ม, มสกตาศรัทธาเห็นว่าพฤติกรรมนั้นๆมีโทษ คำพูดนั้นน่นะมีโทษคำพูดนี้เป็นศีลนี้อยู่ที่คำพูดใช่ไหมและศีลอยู่ที่ไหนล่ะอ่าอยู่ที่จิตอและถ้าจิตไม่ไ ม, ไม่ไม่คิดพูดละ่ะเป็นศีลไหมเจตนาที่เป็นเหตุให้วิรัตเนี่ยนะจากทุจริตเป็นต้นนั่นแหละอันนั้นแหละเป็นศีลแล้วก็ตั้งใจพูดให้ถูกต้องอ่ะนะอันนั้นก็เป็นเป็นกุศลศีล เพราะฉะนั้นปาติโมกขสังวารศีนี่นะครับก็กล่าวถึงเรื่องกายยัทุจริตวจีทุจริตเท่านั้นนะครับเจริญพรเฉพาะปาติโมกนะแต่ว่าปาติโมกไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้นะบางบางส่วนเนี่ยจะต้องประพฤตินะจึงจะเป็นคื อ, อไม่ใช่ไม่ใช่เว้นอย่างเดียวต้องประพฤติด้วยก็อย่างนั้นก็พอจะอยู่ประเภทเดียวกับเจตนาศีนถูกไหมครับอ่าเจริญพรปาติโมกกับเจตนาศีนเนี่ยประเภทเดียวกัน แต่ทีนี้ว่าในจตุปริสุทธิธ์ศีลไม่ได้มีแค่ปฏิโมกข์<ะ>ที่จริงแล้วปาติโมกขสังวรศีลนั้นไม่ได้มีศรัทธาอย่างเดียวนะเป็นเครื่องรักษาจะต้องมีทั้งความเพียรมีสติมีสัมปชัญญะเนีย่ยนะเป็นเป็นเครื่องให้ปฏิโมกขสังวร น, นั้นสําเร็จแต่ว่าศรัทธานี่เด่นที่สุดแหละเห็นไหมถ้าหากว่ากล่าวตามพระวิอัตกาถา คือในพระวินัยเนี่ยนะหลายแห่งกล่าวถึงว่าผู้ที่ไม่มีปัญญาเนี่อรักษาศีลไม่ได้แต่ว่าเขามีปัญญาแต่ศรัท ธ, ธานิดเด่นมากเขาจึงรักษาศีลได้แต่อย่าลืมว่าศรัท ธ, ธาของเราแบ่งออกเป็นสองส่วนนะคือเน้นอีกครั้งหนึ่งตับมสกตาศรัท ธ, ธากับตถาคตโพธิศรัท ธ, ธาเพราะว่าปาริโมกขสังวอนั้นมีศรัท ธ, ธาเป็นเหตุให้สําเร็จเพราะความที่ การบัญญัติศิกขาบทล่วงพ้นวิสัยของภาษาวกเห็นไหมวินัยเนี่ยนะภาษาวกไม่สามารถจะบัญญัติได้พระวินัยนั้นจะต้องมีพื้นฐานจากสัพพัญยุตยานจึงจะบัญญัติศิกขาบทฉะนั้นบางท่านไปถามว่าทําไมพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติสิกขาบทนี้ทำไมไม่เพิกล่ะก็บอกว่าไม่ใช่วิสัยของสาวกภาษาริบุตรยังไม่ใช่วิสัยของท่านเลยที่ที่ภาษาริบุตรจักรู้ว่า การไหนเป็นการที่จะบัญญัติสิกขาบทเนี่ยนะก็การตรัสห้ามคำขอร้องให้ทรงบัญญัติสิกขาบทเป็นนิทัศนะข้อหนึ่งในเรื่องนี้ตรงนี้ก็คือครั้งหนึ่งเนี่ยนะภาษาริบุตรไปทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ไหนดำรงอยู่นานศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ไหนไม่ดำรงอยู่นานพระองค์ก็เล่าว่า พระพุทธเจ้าพานามว่าวิปสัสสีสิกีเนี่ยนะวเวสภูเนี่ยไม่ดํารงอยู่นานของพระพุทธเจ้ากากูสันทะโกนาคามณะกส ป, ปะดํารงอยู่นานอย่างเงี้ยภาษาริบุตรถามว่าเหตุอะไรปัจจัยอะไรให้พระศาสนาของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นดํารงอยู่นานแล้วก็เหตุปจัจจัยใดทําให้พระศาสนาไม่ดํารงอยู่นานพระองค์ก็ตอบว่าเพราะว่าพระองค์นี้แสดงปาติโมกบัญญัติสิกขาบทแก่สาวกข้างหลา ย, ยานะ ศาสนาจึงดำรงอยู่นานทีนี้ตอนท้ายพระสารีบุตรก็เลยเพราะฉะนั้นบอกว่าได้เวลาแล้วพระเจ้าค่าควรที่พระองค์จะบัญญัติสิกขาบทเนี่ยนะพระองค์ก็บอกว่ายังไม่ใช่เวลาว่า ง, งั้นการที่จะบัญญัติสิกขาบทนี่พระองค์นี่จะเป็นผู้รู้เวลาเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งพระสารีบุตรที่มีสติปัญญา ม, มากขนาดนั้นก็ยังไม่รู้เวลาที่จะบัญญัติสิกขาบทเนี่ยนะ คำว่าก้อตรงนั้นเนี่ยนะอัตกถาท่านขยายดีนะก็ตรงนั้นเนี่ยมาจากจะเอถะเนี่ยนะเห็นหมก้อการตรัสห้ามคำขอร้องคำว่าก้อตรงนั้นเนี่ยนะมาจากเจถานิทัศนังเนี่ยนะก็บอกว่าท่านอธิฎีกาที่บายว่าอปัญญัตตังณนะปัญญาเปมะ น, นะปัญญัตตังณสมุทชินธามะเป็นต้นซึ่งแปลว่าพวกเราจะไม่บัญญัติสิกขาบทที่มิได้ทรงบัญญัติไว้ พวกเราจะไม่เพิกถอนสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว้พวกเราจะสมาทานประพฤติในศิกขาบททั้งหลายตามที่ทรงบัญญัติไว้ดังนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นผู้ที่จะรักษาปาติโมกขะสังวรอาศัยศรัทธาอย่างเดียวไม่ตัดคือไม่ไม่ตัดออกไปและก็ไม่เพิ่มเข้ามาในพระวินัยที่พระองค์ทรงแสดงแล้วเพราะเหตุนั้นอันภิสุ เมื่ออาศัยศรัทธาสมาทานศิขาบทตามที่ทรงบัญญัติไม่ให้มีเหลือแล้วไม่กระทำความอะไรแม้ในชีวิตอยู่จะพึงให้ถึงพร้อมได้ด้วยดียเ็บอกว่ารักษาเสมอด้วยชีวิตนั่นแหละส ม, สมจริงดัสมจริงดตามที่ตรัสไว้ว่าภิกษุผู้คอยจะรักษาศีลจงเป็นผู้มีศีลเป็นที่รักด้วยดี มีความเคารพในการทุกเมือ่อนะมีความเคารพในการทุกเมือ่อการไหนการเช้าสายบ่ายเย็นใช่ไหมเขาบอกว่ามีความเคารพในการทุกเมือ่อคำว่าการทุกเมื่อก็คือในปฐมวัยมัชชิมวัยและก็ปัจฉิมวัยการทุกเมือ่อตรงนั้นเอาวัยมาเป็นเครื่องอธิบายเนี่ยนะ ก็คือให้มีศีลในวัยทั้ง3นั่นแหละตั้งแต่ปฐมมวัยมัชชิมวัยแล้วก็ปัชชิมวัยปฐมมวัยก็คือแรกเริ่มจนถึงอายุประมาณ30ปีเรียกว่าปฐมมวัยจาก30หลังนั้นไปเรียกว่ามัชชิมวัยห0ไปแล้วก็เรียกว่าปัชชิมวั ย, ยดุดนกต้อยตีวิท์คอยรักษาฟองไขนนะ่เห็นการไม่ล่วงละเมิด เป็นทุจริตทางกายทางวาจาเนี่ยนะมีค่าวางงานเถอะหวงแหนมากที่จะละเมิดเป็นทุจริตกรรมเนี่ยนะรักกุศลเจตนาเหล่านั้นเนี่ยนะเหมือนกับนกต้อยติวิทคอยรักษาฟองไข่ดุดจามารีคอยรักษาขนหางดุดมารดาคอยรักษาบุตรผู้เป็นที่รักเพียงคนเดียวดุดคนตาเดียวคอยรักษาตาที่เหลืออยู่ข้างเดียวเช่นั้นดังนี้ ก็บอกว่าให้เห็นกุศลเจตนาเนี่ยนะเห็นธรรมวินัยที่พระองค์ทรงบัญญัติแล้วก็สมาทานประพฤติปฏิบัติตามเหมือนแบบนี้นะก็เรียกว่าเสมอด้วยชีวิตนั่นแหละอย่างนกต้อยตีวิทเนี่ยนะรักษาฟองไขก่ก็บอกว่ายอมตายเลยเว่างั้นถ้าจามรีรักษาขนหางเนี่ยนะถ้าไปหางเนี่ยนะไปเกี่ยวกับพวกกิ่งไม้ไผ่กิ่งอะไรเนี่ยนะก็จะยอมตายอยู่ตรงนั้นแหละ ไม่ไม่จากมานกันห่วงมากถ้าหากว่าแม่ที่มีลูกคนเดียวเนี่ยนะใครจะมาขอชีวิตลูกไปนี่ต้องผ่านอบแม่ไปก่อนใช่ไหมถ้าเป็นรักขณานี้นะรักหนาดนั่นคนที่มีตาข้างเดียวก็เหมือนกันเนี่ยนะเอายางอื่นไปแทนดีกว่างั้นนะยังตัดไว้แม้อื่นอีกว่ามหาสมุทรมีความยั้งอยู่เป็นธรรมดาไม่เอ่อล้นฝั่งแม้ฉันใดดูก่อนปะหาราธะ สิกขาบทอันใดที่เราบัญญัติแล้วแก่สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราย่อมไม่ก้าวล่วงสิกขาบทนั้นแม้เพราะเหตุแห่งชีวิตฉะนั้นเหมือนกันแลอันนี้ในมหาประหารทะสูตรอังคุตรนิกายอัฏฐการนิบาตเนี่ยนะข้อความนี้นะแต่ว่าคําว่าสาวกตรงนี้เนี่ยหมายถึงพระอริยสาวกพระอริยสาวกของพระผู้มีพระภาคนั้นเป็นผู้ที่มีศีล มั่นคงจริงๆเห็นไหมพระองค์จึงตรัสอุปมาด้วยพระองค์เองว่าทะเลเนี่ยไม่ล้นฝั่งสาวกของพระองค์ก็ไม่ละเมิดศีกขาที่พระองค์ทรงบัญญัติเหมือนกันถ้าเป็นสาวกนะแบบอริยะสาวกะนะถ้ายังก็ไม่มีแน่นอนทุกอย่างก็แลในความข้อนี้เรื่องของพระเถระทั้งหลายผู้ถูก พวกโจรมัดทิ้งไว้ในดงก็ควรทราบนะเขาก็ยกตัวอย่างถึงพระพิสุที่ท่านรักษาศีลหวงแหนศีลเนี่ยนะมีเรื่องเล่า ว, ว่าพวกโจรใช้เถาย่านางเถาย่านางนะก็คือเถาชนิดหนึ่งที่เขาไว้มัดกรอนเรือนนะถ้เป็นบ้านสมัยก่อนเนะี่ยมัดกรอนเรือนมัดเขียงนามัดอะไรเนี่ยนะเนะถานี้ค่อนข้างเหนียวก็เอาเถาย่านางเนะี่ยมามัดทัถีระก็คือ ไม่ได้ไม่ได้ตัดเถาออกมาก่อนใช่ไหมก็โคนมันก็ยังอยู่นั่นแหละก็เอามามัดมัดเลยโดยที่ยังอยู่กับที่นะยังเป็นของสดเขียวนี่ยนะแล้วก็ให้นอนอยู่ในดงมหาวั ต, ตนีก็บอกว่าดงนี้อยู่ข้างๆเขาหิมพานะ่ะพระเทระก็พระเระตามที่นอนอยู่นั่นเองก็คือถูกมัดเนี่ยมัดให้นอนอยู่นะเจริญวิปัสสนาไปตลอดเจ็ดวัน บรรลุพระอนาคามีผลกระทํากาละในที่นั้นนั่นเองแล้วบังเกิดในพรหมโลก น, นะจังกันแน่จริงๆเหมือนกันนะคือเขาไม่ได้ตัดหญ้าไอเถายานางที่เขาเอามามัดเนี่ยมันอยู่กับที่ใช่ไหมมันยังไม่ได้ถูกถอนรากถอนโคนออกมาเพราะฉะนั้นก็ยังเป็นประเภทภูตคามอ่าภูตคามนี้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไม่ให้พระภิสูจนิพรัก อย่านำไม่ให้พราดภูตะคามที่พระองค์ทรงสแสดงว่านหนึ่งนะไม่ให้พิสูจนเนี่นะพลาดพีชคามและภูตะคามถ้าหากว่าพราด ก, ก็เป็นอบัติปาจิตีนะภูตะคามคือต้นไม้ที่งอกอยู่กับที่เนี่นะไปพราดก็เป็นอบัติเพราะฉะนั้นท่านก็เอจะถอนหญ้าหรือว่าเนี่ยนะจะตัดเท้ญ้านางหรือว่าจะเอาศีลใช่ไหมแต่ว่าพระระดับนี้นะแม้แต่จิตคิดจะล่วงละเมิดท่านไม่มี ถ้าท่านไม่แน่ขนาดนี้เนี่ยนะเจริญวิปัสนาไม่บรรลุเป็นพระนาคามีตรงนั้นหรอกเพราะถูกมัดแล้วเจริญวิปัสนาต่อไปบรรลุเป็นพระนาคามีแล้วก็ยอมอดข้าวอยู่เจ็ดวันเนี่ยนะถ้าไม่ดีจริงๆเนี่ยนะ โ, โหท้องมันหิวด้วยนะแดดร้อนเป็นต้นเนี่ยถามมาสนุกไหมล่ะเจริญวิปัสนาเนี่ยขนาดนั่งสบายๆ ย, ยังเจริญยากเลยนะขนาดทุกขนาดนั้นจะเจริญได้ง่ายๆหรือไม่เชื่อนะลองป่วยแล้วเจริญวิปัสนาคือ คือตรงนั้นเนี่ยมันมัดแน่นะนะมันมัดชนิดที่ว่าต้องกระตุกอย่างเดียวจึงจะขาดใช่ไหมถ้ากระตุกมันก็ขาดเมื่อมันขาดปิ่นก็ขาดท่านก็จะเอาสีหรือจะเอาอะไรดีคือคือเขามัดไม่ให้แก่ อ, อันนี้โจนมัดนะนะนนอีกเรื่องหนึ่งนะพวกโจนก็ใช้เขาหัวด้วนมัดพระเถระแม้อีกรูปหนึ่งให้นอนอยู่ที่ตำพระปณนนิทวีปคือที่เกาะลังกา พระเรารูปนั้นครั้นเมื่อไฟป่าลามมาถึง <S <S <ess> ก็ไม่ยอมตัดเถาเลยนนะไม่ตัดเถาวันเลยยังวิปัสนาให้ตั้งขึ้นเป็นสมศสีสีปรินิพานไปเขาบอกว่าสมศสีสีปรินิพานนี่เป็นอย่างไร <S <S ก็คืออรหัตมรรคของพระอริยะบุคคลใดทำอวิชชาอันเป็นศีรษะของกิเลสให้สิ้นไปได้ตามลำดับมรรค จากนั้นไปเมื่อมีการตั้งมั่นในปัจเวกขณะยานทั้งสิบก้าแล้วอย่างลงสู่ภวังจุติจิตก็ทำชีวิตตินซีอันเป็นศีรษะของขันให้ให้สิ้นไปเนี่ยนะเพรา ะ, ะพระอริย บ, บุคคล น, นั้นท่านเรียกว่าชีวิตสมะศีรีเพราะความที่มีวาระอันดับแบบนี้นิพพานแบบนี้นะ คือหมายว่าเจริญวิปัสนาเป็นพระโสดาบันนะพอเป็นพระโสดาบันก็มีปัจจเวคขณะยานหเอาเต็มชุดเลยนะเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็เจริญวิปัสนาบรรลุเป็นพระสกทาคามีก็ปัจจเวคขณะยานอีก5แล้วก็เจริญวิปัสนาต่อไปบรรลุเป็นพระนาคามีก็เจริญมีปัจจเวคขณะยานอีกหแล้วก็เจริญวิปัสนาเป็นพระอรหันมีปัจจเวคขณะยานสคือพิจารณากิเลสที่ละแล้ว พิจารณามั่งพิจารณาผลพิจารณานิพพานที่ได้พอปัจเวคณาญาณหมดจุติจิตต่อทันทีเลย อ, อย่างนี้เขาเรียกว่าชีวิตสมศรีสีเรนนะเขาเรียกว่าสิ้นชีวิตเพราะว่าขันเนี่ยมีชีวิตตินรีจะไม่เป็นเป็นศีรษะของขันถ้าชีวิตตินรีไม่อยู่ขันเหล่านี้ก็ก็แตกดับไปเพราะฉะนั้นจุติจิตของท่าน หลังจากบรรลุแล้วก็ไปเลยสบายนะทีนี้พระภัยเทระผู้สอนคำพีทีคณิกายพระภัยเทระรูปนี้เนี่ยนะเป็นประเภทมหาพินโยเขาว่าเป็นผู้เมียพินยาใหญ่นะแล้วก็สอนปกติท่านก็สอนทีคณิกายไปกับผู้พิสุจำนวน500พบเข้าจึงให้ทำชาปน ก, กิจสรีระของพระเทระเสียแล้วให้สร้างเจดีไว้ เพราะเหตุนั้นกุลบุตรผู้มีศรัทธาแม้ผู้อื่นเมื่อจะชำระปาติโมกข์ให้หมดจดแม้พึงสละชีวิตก็ไม่พึงทําลายศีลสังวรที่พระโลกกนธาตทรงบัญญัติไว้เห็นไหศีลที่พระโลกกนธาตคือคําว่าโลกกนธาตนี้หมายคำว่าที่พึ่งโลกนะนาธานี่แปลว่าที่พึ่งนะพระผู้เป็นที่พึ่งของโลกนะทรงบัญญัติไว้ก็ควรรักษาไว้ด้วยเสมอด้วยชีวิต ท่านผู้ที่เจริญพูทธคุณมาเนี่ยนะถ้าใช้คําว่าโลกกันนาะดปั๊บจะทราบซึ้งทันทีเลยว่ากว่าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์มีความรอบรู้มากมายมหาศาลพระองค์ทรงบัญญัติไว้แสดงว่าต้องดีจริงๆพระองค์ยังทรงบัญญัติไว้ถ้าไม่ดีพระองค์ก็คงไม่ไม่มาเสียเวลาแสดงกับสิ่งเหล่านี้เพราะว่าไอ้สิ่งที่ไม่มีประโยชน์แม้แต่นิดหน่อยก็ไม่มีสําหรับพระองค์ว่างันอันนะั้นจบเลยนะปาฏิโมกขสังวรเห็นไหม ว่าศรัทธานั่นแหละเป็นเหตุให้สําเร็จในการรักษาปาฏิโมกข์ของพวกเราที่จะสังวรกายเว้นจากกายทุจริตวจีทุจริตแล้วก็เจริญกายสุจริตวจีสุจริตได้นั้นก็ต้องมีศรัทธาเหมือนกันนะอย่างน้อยก็มีกรร ม, มสกตาศรัทธาแหละจึงจะเจริญได้ไม่งั้นนั่งเพอ้อเจ้ออยู่ครึ่งวันก็เอ๊กก็ยังไม่เสียหายอะไรนี่บางคนนี่ไม่รู้สึกกลัวก็ไม่ได้ไปว่าร้ายใครครับว่างั้น อันนั้นก็นั้นก็คือกรรมมศกตาศรัทธานะประเภทอย่างที่ว่าก็คือกรรมมศกตาศรัทธาเพราะมีศรัทธาในกรรมและผลของกรรมไนะถึงกลัวภัยในอบายทุคติวินิบาศนรกนะและก็งดเ ว, งว้นจากทุจริษฐ์ทางกายทูตจริตฐ์วจีทุจริษฐคนลักษณะนี้เรียกว่ามีกรรมมศกตาศรัทธา